นภ า, าที่เราไปเมื่อวานเย็น้ายๆก็เรียกว่าภาสนธยาวิไลนะแต่ชื่อเต็มมันเท่าที่จำได้คือภาสนธยาวิไลไม่ใช่ภาศิวิไล นิภาสนเทาวิลัยมีชื่อยาวชาวบ้านก็เลยเรียกกลอนเป็นผาศรีวิไลสนเทาวิลัยเพราะว่าเป็ น, ปนผาที่คนทขานิยมมาดูตอนที่พระาทิตตกก็เป็นมุมที่ได้เห็นอะไรหลายอย่างแต่ก่อนก็ เวลาขึ้นมาก็มาดูสภาพป่าคูหลงดูจุดที่ถูกไฟไหม้แล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาประมาณยี่สิบห้าปีขึ้นมาครั้งแรกประมาณปีสามสามออกกันสามนี่แหละ ออกพษาเสร็จก็มีพระเหลือไม่กี่ลูกที่จริงในพรษาก็มีพระน้อยอยู่แล้วนะปีสามสามพอเท่ากระถินเสร็จก็มีพระอยู่สามสี่ลูกก็ขึ้นมามาเจอด้วยความบังเอิญ ตอนนั้นเนี่ยจะเดินตั้งใจเดินสำรวจป่ากับพระมีพระหนุ่มอีกสองลูกอายุเพิ่งยี่สิบต้นๆประมก็แข็งแรงลุยเป็นคนเมืองสำรวจป่าเพราะว่าปีสามสาน ม, มันมีการตัดไม้เยอะมาก เดินจากเดินจากขอฉันไปไม่ไกลนะหรือว่าเลยเลยจากกดกดสิบไปสักห้าร้อยเมตรได้มันก็มีการตัดมากันแล้วย่าน้แถวนั้นมันเป็นเป็นป่ายางต้นยางสูงใหญ่หลายคนโอบ มันเยอะมากเลยนะต้นยางสูงใหญ่แล้วก็เห็นต้นไม้บางต้นก็ถูกโคนไอตอที่เอวตอหรือเปล่าคือความกว้างของต้นไม้นี่ที่ล้มลงมามันสูงกว่าหัวคนอีก ตอนนั้นก็มีเพื่อนนิคมพุทธานี่มาช่วงพรรษาก็มาถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายรูปไว้หลายรูปทีเดียวต้นยางใหญ่ๆที่ถูกคนหรือต้นยางที่ยังอยู่ก็น่าเสียดายไม่รู้ว่าสไลด์หายไปไหนแต่เคยไปลงหนังสือพิมพ์บางกอกโพส หนังสือพิมพ์นั่นก็ไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันก็มีการตัดในภาษานี่พระนี่ก็ต้องไปคอยไปซุ่มอยู่ในป่ากลางคืนเพื่อไปเรียกว่าดักจับก็ได้มั้ยดักจับคนที่มาตัดไม้ปีนั้นนี่ทหารพระนี่ยัง ถึงกับขึ้นมาข้างบนเลยนะมาเพื่อที่จะจับกลุ่มหรือว่าป้องปรามคนที่มาตัดไม้ก็พราไปได้สักพักแล้วพอฐานพลาญไปก็ขึ้นมาตัดกันอีกฉนั้นลองรอยไม้ที่ถูกตัดนะหรือว่า มาที่แปลูกที่เขาทิ้ง ท, ที่เขายัางเอาไปไม่หมดนี่ก็จะมีอยู่ปลายเป็นระยะระยะหน้าที่ของพระในช่วงข้าบรรษาคือการดูการป้องกันการ เ, าเรียกว่าขับไลนะ่คนที่มาตัดไม้ มันก็มาจากหลายที่หลายทางนะมาจากบ้านตาดก็มีมาจากบ้านกุฎทิกนยะซึ่งอยู่ตีนเขาเนะด้านที่เรามองเห็นนะจากผาศีวิไลเนี่ยแต่ก่อนไม่มีหมู่บ้านเล็กเ็เชื่อบ้านกุฎทิกมีร่องรอยมีหมู่บ้านมีเล็กๆประมาณเจ็ดแหลังก็ตัดมานี่ก็แปรรูปไมเสร็จ เขาก็เข็นรถใส่รถน้ำแล้วก็เข็นไปจนกทั่งถึงหน้าผาด้านที่หันไปทางกเกษตรสมบูรณผูกเขียวแล้วก็ทิ้งไม้ลงไปอันนี้เป็นวิธีการที่เขาใช้ทิ้งไม้ลงมาการข้ามขืนดังเสียงดังขนาดอยู่ตรงเนี้ยนะจุดที่เขาทิ้งไม้จุดนี้คือเนี่ยตรง ผู้กลางไอ้ตรงผู้สามชั้นเนี่ยกลงคืนี่ยเสียงทิ้งไม้ตึงตึงตึงตึ ง, งจากผู้สามชั้ น, นมันก็สูงนะแต่ว่าไม้ก็ไม่ไม่เสียหายมากแต่แล้วข้างล่างก็ขนไม้ต่อไปกุดทิกออกภาษา ป, ปีสามสามก็ไปตรวจ เดินตะเวนเดินตามเส้นทางที่เขาขดไม้ขึ้นไปทางเนี่ยไปทางกุศ1สิบเอ็ดแล้วก็ซับเม็กซับเม็กนี่ก็เป็นจุดที่มีลำธารไหลผ่านแล้วก็เป็นที่ที่สมัยก่านพวกเราก็ชอบไปไปค้างแรมกันกางเต็นกันดูป่าไปด้วยแล้วก็อ่า ทักผ่อนไปด้วยเพราะมันเป็นบรรยากาศที่สงบมีน้ําก็พระหนุ่มก็มีนิสัยชอบประตนภัยมันก็สนองอสนองความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ต่อยซ้ำไม่ไปว่ามีทางทางดีทีเดียวนะเพราะว่าใช้บ่อยนึย่ยเป็นเส้นทาง ผลลากไม้เดินลงไปก็เดินไปไปไม่ให้ลงมันขึ้นมากกว่าพอถึงหน้าผาที่เขาทิ้งไม้ก็เราก็ลงไปลงไปเรื่อยๆมันชันมากนะลงไปลงไปจนกระทั่งถึงบ้านกุดทิกเลยเนะี่ย <c oughs> ก็เห็นนามีนามีไร่มันแถวนั้นก็ปลูกกัญชาด้วยสมัยก่อนมันไกลหูตาเจ้าที่ แ, แล้วก็อยากจะรู้ว่าภูเขาอีกด้านหนึ่งเป็นยังไงภูหยวกหรือภูจิกเนี่ยชื่อเรียกภูหยวกบ้างภูจิกม้างก็ปีนขึ้นไปเหนื่อยมากชันจากกุดที่ปีนขึ้นไปตอนนั้นไม่รู้ทางมันมีทางที่ดีกว่านั้นอย่างที่เราเดินธรรมญาติตามปีที่แล้วเนี่ยเป็นทางที่สบายเนี่ยเดิน ตามลำธารขึ้นไปแล้วก็ตัดผ่านปากภัยมันไม่ชันแต่ตอนนั้นไม่รู้ยี่สิบห้าปีที่แล้วใหม่มากก็เดินขึ้นไปปีนเหนื่อยมากไปถึงพอไปถึงหน้าผาก็เห็นหน้าผามสวยแต่ไม่ใช่จุดที่เราไป ไปนั่งเมื่อวานไปทำวัดเมื่อวานจะใกล้ๆ ก, กันก็เลยรู้ว่หน้าตรงไอ้ผูห้หญิงมีสวยมีหน้าผาเยอะที่สามารถจะชมทัศนียภาพได้ก็เลยเจอเป็นการเจอครั้งแรกนะแต่ไม่ได้นอนตรงนั้นนะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงต่อมันก็เย็นละ ก็ต้องหาทางกลับวัดไม่รู้ตรงนั้นเนี่ยมันมีวัดอยู่ก็เดินเดินนะแต่ว่ามันดีหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่ป่าทึบนะมันป่าป่าเบญจพรรณยาก็ยากตเตีย่ยวอยายาเพกก็เลยหาทางออกลงมาดนถึง ตอนถึงตรงถึงวัดนี่แหละหน้าวัดออกเลยว่ามีวัดอยู่เราก็เลยเดินลงไปคำ่ำเราก็เลยไปนอนกลางเต้นอยู่ตรงใกล้ๆอ่างเก็บน้ําไปกลางเต้นที่ป่ามันนะก็ขาดีนะว่าอุตสา่าลุยเข้ามาในป่าแล้วเสร็ ไม่ได้กางเต็นในปา่าจะไปกางเต็นอยู่ในป่ามันตอนนั้นไม่รู้อะไรเลยก็เสร็จแล้วก็ค่อยหาทางกลับวัดผ่านบ้านตากปูทองตอนหลังก็ร่วมมีทางลัดนะทางลัดตัดไม่ต้องผ่านบ้านตากปูทองนะตัดเข้าวัดเลยก็ใช้เส้นทางในประจำว่าสมัยนั้นไม่มีรถจะมา แต่มาพาซืิลไลก็เดินขึ้นนะไปหอชันแล้วก็ไปกุดหกแล้วก็ตัดออกจากป่าแล้วก็เลยรั่วออตรงออกจากป่าแล้วเดินไปไกลก็จะมีน้ําตกเนะี่ยมีน้ําตกก่อนที่จะไปถึงอ่างเก็บน้ำไอ้น้ําต้มนั้นก็มาจากอ่างเก็บน้านั่นแหละ ไว้ก่อนน้ำเยอะนะอย่างเช่นเราถ้าเราผ่านไอ้ไอ้ฝ่ายทดน้ำเนี่ยนะมันก็จะมีน้ำไหลนะน้ำเออบนไอ้ที่เราสปริงเว่เนี่ยน้ำก็จะไหลเออลงไปแล้วก็กลายเป็นลำธาร ตรงนั้นแหละที่มันจะกลายเป็นน้าตกก่อนที่จะถึงวัดก็เลยได้จุดเที่ยวจุดหนึ่งนะน้ําตกเดินผ่านน้ําตกแล้วก็ <c oughs> ก็มาถึงวัดถึงวัดตาขูทองได้ไม่นานชั่วโมง น, นก็ถึงแลสี่สิบห้าเดินเร็วๆก็สี่สิบห้านาทีแล้วก็เป็นที่ที่ ไปค้างแรงเป็นประจํา <c oughs> ก็ทางนี้มาตลอดนะนี่ผ่านไป25ปีแต่ว่าความเ ป, เ ป, เ ป, เปลี่ยนแปลงตรงจุดนั้นก็เกิดขึ้นน้อยมากถ้าเ่อกับบริเวณอื่นๆของของอของเขาลูกนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะตากูทองถนน แล้วทั้งวัดแต่ว่าตรงมุมด้านนี้มันไม่มันไม่ไมันค่อยเปลี่ยนแปลงกันเลยแต่ก่อนเนี่ยตอนมามาใหม่ๆไปเห็นมองไปข้างหน้าเนี่ยก็เห็นไห่มั น, นยอยู่ตรงตีนเขาตีนผูแต่ก่อนนี่มองเห็นลําธารเลยไม่ใช่แค่ดินเสียงเห็นลําธารไหลมันสะท้อน สะท้อนแดดนะเป็นเห็นชัดเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นลำธารแล้วเพราะว่าต้นไม้สูงไอ้ป่ามันที่เคยมีเป็นสิบสิบไร่เนื่อจะเกือบร้อยไร่นี่ก็หายไปแล้วเห็นแต่ต้นไม้อันนี้ก็ถือว่ามีเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีของผู้หลง ชาวบ้านกุฎิทิก็ถูกไล่รือหรือไงไม่รู้นะเพราว่าอพยพหนีไปก็ยังมีการทำนาอยู่แล้วก็มีชาวบ้านอยู่ไม่กี่คนอย่างที่เราเคยไปค้างกันเมื่อเมื่อปีที่แล้วการอยู่บนการขึ้นมาบนหน้าผานี่มันก็ทำให้เห็นทัศ น, นียภาพกว้างไกลเวลาเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยหรือว่าเวลา เครีเคลียดนี่พอเราขึ้นมาอยู่บนที่สูงเนี่ยไม่ว่าเป็นที่หน้าผานี่หรือที่ไหนเนี่ยจะรู้สึกจิตใจปโปร่งโลง่งบางทีจะรู้สึกว่าไม่รู้จะเครียดไปทำไมเพราะว่าได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามกว้างไกลใจมันก็โล่งเองเบา ธรรมชาติของใจเราเนี่ยพอได้เห็นพอได้มาอยู่ที่สูงได้เห็นอะไรไกลๆเนี่ยเห็นพื้นที่โลง่งกว้างไกลใจมันก็พลอยโล่งไปด้วยและการที่ได้เห็นอะไรกว้างไกลนี้มันก็ทําให้เราไม่พลอยไปยึดติดอยู่กับปัญหาที่มันทำให้เครียด คนเราเครียดเนี่ยเพราะว่าจิตมันไปจดจ่ออยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มองให้เห็นว่าอสิ่งที่เราเคลื่อในจริงมันเป็นเรื่องเล็กน้อย เ, ยเมื่อเทียบกับอะไรต่ออะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะคนเราทํามองอะไรแคบๆเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ได้ง่ายนะเพราะว่า อะไรกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปหมดแต่พอมองเห็นอะไรยาวๆไกลๆเนี่ยมันก็จะเอาเรื่องที่เรื่องที่เราเคลืยรเรื่องที่เราทุกขนี่มันเป็นเรื่องเล็กภาษาฝรั่งเขาเรียกพูด into perspective perspective คือว่ามองอะไรที่ไกลๆเวลามองอเวลาเรามองอะไร เมื่ออะไรไกลๆเนี่ยมันจะมีการเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรากับสิ่งที่อยู่ไกลออกไปมันก็จะเห็นว่าชีวิตวเรานี่มันมีอะไรต้องมากมายแล้วบางคนเนี่ยเครียดกับงานนะเครียดงานทำบา ง, งานมีเพียบางวันกุ้มใจมากเครียดกับงานมากทำแต่งงานทำแต่งงานก็คงจะนอนดึกคงจะลาทั้งเรื่องร่างกาย ก็แนะนำให้เขามองชีวิตเป็นกไกลๆหน่อยม้อยชีวิตมน้มอยเห็นว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่งานชีวิตเรายังมีครอบครัวยังมียังมีผู้คนมากมายนะที่เราควรใส่ใจล้นทั้งยังมีความสุขมากมายที่ให้เราสัมผัสได้มีธรรมชาติที่งดงามมี วรรณกรรมมีเพลงมีแรงต่างอาหารสารพัดคือพมองแล้วมันให้พมองชีให้มันกว้างออไปนี่มันก็ส่วงานเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นส่วนไม่ใช่ส่วนทั้งหมดดนั้นในความเครียดนะที่เกิดงานก็จะเบาลงคือมันคลายได้คนเราเนี่ยเวลาเครียดเรื่องอะไรก็ซื้อเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่พอลองเงยหน้ามองไปมองไปก็โอ้มันมีอะไรต้องเยอะไอ้เรื่องที่เราเครียดกุมอกกุงใจนี่มันแค่เป็นเรื่องเล็กๆไอ้การมองขึ้นมาบนที่สูงนี่มันก็ทำให้เรามองอะไรได้กว้างไกลแล้วก็ไม่ไมติดอยู่กับอันแดนหนึ่ง ถ้าเกเรานมองถ้าเกิเ ร, เ, กเราอยู่บนปา่าอยู่บนที่ราแล้วก็มองแล้วก็ติดต้นไม้หมดทัศนวิสัยก็จะแคบอยู่ในปา่าทัศนวิสัยก็ไม่เกินยี่สิบเมตรสามสิบเมตรแต่พอเราเออกมาจากปาก่าขึ้นมาบนที่สูงเห็นป็นกว้างไกลบางทีการมองชี้ก็ต้องมองแบบ น, นั้นละถ้ามองมองแค่จมูกมองแค่สิบเมตรสิบเมตรนี่มัน มันจะเครียดง่ายเมื่อคนที่กำลังทุกข์กับเรื่องปัญหาบ้านเมืองนี่เครียดมากเพราะว่าเขามองเห็นแต่เปนเหตุการณ์เฉพาะหน้าเขาไม่ได้มีศาสนาวิสัยที่ยาวไกลหรือว่าย้อนมองกับแปอดีตก็ได้ก็จะเห็ น, นว่าชีวิตโลกบ้านเมืองันขึ้นลงขึ้นลงมา น, นี้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วไอ้ที่เคยวิกฤตหนัก เช่นเสียกลุงเสียกลุง่มันก็หนักหนาสาหากว่า น, นี้เยอะหรือว่าสมัยระกาที่ห้าต่างชาติจะมายึดครองไปน้นนี่คมหรือสมัยที่บ้านเมืองสู้คอมมิวนิสต์โอมันมันหนักหนาสาหากว่า น, นี้เยอะก็ยังผ่านมาได้มพออย่างนี้เข้ามันก็มีมความหวังแต่คนที่ไม่มี ทัศนวิสัยที่ยาวไกลหรือไม่มองไกลมันจะเครียดมากเห็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนรความเป็นความตายไม่มีความหวังท้อแท้หลายคนมองชีวิตก็มองแบบนั้นนะคือมองมองสั้นเป็นหนี้เป็นหนี้เยอะแยะจริงๆเป็นหนี้แค่ล้านหนึ่งจะกลุ่มอกกลุ้มใ จ, จตายได้แต่ถ้าเรามองชีวิตข อ, ของหลายคนนี่ เ, เขาเป็นหนี้เป็นร้อยล้านพันล้าน โดยพาะช่วงวิกฤี่ศผ่านมาถึงตอนนี้กลายเป็นเจ้าสวยแล้วกลายเป็นเศรษฐีแล้วนี่ทั้งหลายทั้งปวงก็หมดไปแล้วแต่ถ้าไม่มองแบบนี้นะคิดแต่อะไรสั้นๆนะก็อยากคิดแต่อยาฆ่าตัวตายตายดีกว่าเราคิดสั้นคิดสั้นคือความหมายนี่แหละคือว่า ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วนี่ถ้ามองยาวไปไม่ว่ามองไปข้างหลังหรือมองไปข้างหน้าถ้ามองไปยาวๆมันก็จะมีความหวังที่เคยผ่านความทุกข์มาเยอะๆแล้วหนักกว่า น, นี้ก็เคยก็ยังผ่านมาได้อันนี้เ็เป็นบทเรียนจากการมองไปข้างหลังมองไปข้างหน้าก็จะเห็นว่ามันมีความหวัง คนที่อยากจะค่าตัวตายถ้ามองก็ขึ้นมาบนทะกบนบนมันที่สูงมองแล้วไปไกลๆมันความทิ่เปลี่ยนนะบางคนจะโดดจากตึกนะโดนจาตึกสูงคอนโดมิเนียมกลุ้มใจมากกำลังจะปีลงมาจากระเบียงหรือกาลังจะโดดมาจากระเบียงเงยหน้ามองไปซ่องหน้าโอเห็น ทัศนียภาพกว้างไกลเห็นภาธทีกำลังขึ้นใจมันเปลี่ยนเลยนะใจมันพลิกเลยนะพอแค่เห็นภาพที่กระเสือ ม, มีความหวังเห ม, มือนมืดแค่ไห น, นก็ต้องสว่างไม่ช้าก็เร็วช่วทยที่มืดมนนี่ถ้ามองไปกลมันก็จะเห็นความหวังเปลี่ยนใจนะไม่ไม่โ ด, ดลงมาอันนี้ก็มีคนเปลี่ยนใจวบนนี้หลายคนนะที่เรียกว่า คิดสั้นจะค่ตัวตายพอมองเห็นอะไรยาวกว้างไกลนีมันเปลี่ยนเลยแล้วที่จริงการมองอะไรกว้างกกล ม, มันก็ให้ความหมายนะที่ที่มากไปกันนั้นคนเราไม่รู้โลกไม่รู้โลกกลมนะถ้าไม่ได้ขึ้นมาบนเขาอยู่แต่บนพื้นลาบนี่ก็เห็นแต่ โลกแบนยกเว้นว่าไปอยู่ริมทะเลเออค่อยเห็นนะเ อ, อโลกมันกลบนะอยู่ทะเลอยู่ริมทะเลมองไปไกลๆเห็นพื้นผิวโลกนี่มันโคง้งนั่นเพราะว่ามองเลไรสามารถจะมองได้กว้างไกลแต่ในพื้นราธรรมดานี่มันก็เห็นอะไรได้ไม่ไกลเตดโนอนติดนี่หมด คนที่ใช้ชี้ทางโลกนะในช้ทางโลกเนี่ยมันก็เห็นแค่นั้นแหละสั้นๆการปฏิบัติธรรมนี่มันช่วยทําให้เราเห็นอะไรได้กว้างไกลถึงแค่เข้าใจเรื่องว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหรือเข้าใจเรื่องอ น, นิจจังตัวเดียวเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะคนเราถ้ามองเห็นอะไรสั้นๆแคบๆก็เห็นแต่ความเป็นเห็นแต่ความเที่ยงเห็นแต่ความเที่ยงเหมือนกับอะไรนิ่งหมด เหมืก็ดูเข็มนาฬิกาแล้วก็เห็นสมมติเห็นแต่เข็มเข็มสั้นเนี่ยก็นึกว่าเข็มสั้นนี่มันหยุดนะแต่ถ้ามองรอเวลาผ่านไปสักชั่วโมงก็จะเห็นว่าเข็มสั้นนี่มันกระดิกมันเคลื่อนคนที่ใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยก็จะมองเห็นอะไรเฉพาะหน้าเฉพาะเฉพาะจุดมันเคลื่อนวัตกอย่างมันเที่ยงร่างกายเรามันเที่ยง แต่เราพอลรามองย้อนถอยหลังไป10ปี20ปี30ปีตอนเด็กก็เห็ล้ร่างกายมันเปลี่ยนไปเยอะร่างกายเปลี่ยนไปเยอะมาก <c oughs> ร่างกายนี่ก็ร่างกายเมื่อ10ปีที่แล้วมันเราล่างกันเลยมันคนละล่างมันคนละล่างทั้งในทั้งใน ทั้งจากรูปลักษณ์ที่เราเห็นด้วยตาแล้วก็จากความเปลี่ยนแปลงภายในไม่มีอะไรเป็นของเดิมเลยนะในช่วงในสิบปีที่ผ่านมาหัวใจตับปอดกระดูกมันใหม่หมดนะใหม่แทบจะถอดด้ามเลยเพราะว่าเซลล์ของอวัยวะต่างๆในร่างกายเรามัน มันไม่ได้อยู่ไปตลอดมันเปลี่ยนไปบางทีสามเดือนก็เปลี่ยนแล้วอย่างกระดดกนี่ก็เจ็ดปี1ิปีก็ต้องก็ตายแล้วเปลี่ยนใหม่ตับปอดก็เหมือนกันอยู่ได้สาปีบางห้าปีบางก็ตายมีอันใหม่มาแทนงันถ้าเรามองถอยหลังไปไกลรู้ว่าโอ้ยร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเลยแปรเปลี่ยนตลอดเวลา แล้วก็มันไม่ใช่ร่างเดิมด้วยในความคิดว่ามันมีตัวมีตนที่เท่งแท้แน่นอนมันก็จะจะคลอนแคลนเพราะว่ามันมีร่างใหม่ตลอดเวลาถ้าพูดในถ้าศึกษาทําแล้วเพราะว่ามันเป็นร่างใหม่ตลอดทุกขณะเลยร่างใหม่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะในความคิดเรื่องอนัตตามีตัวตนที่เท่งแท้ก็จะมันก็จะสั่นคลอนหรือมันก็จะ ไม่มันคงแล้วการปฏิบัติธรรมคือคือการก็คือการทำให้ใจเราทำให้เราเห็นโลกเห็นชีวิตในมุมที่ยาวไกลเหมือนกับว่าเราอยู่บนที่สูงยิ่งโล ก, กุตรธรรมเนี่ยนะหรือธรรมที่พ้นโลกเนี่ยมันไม่ใช่แค่พ้นโลกกระทำเท่านั้นนะมันทำให้เราเหมือนกับว่า มองเห็นชีวิตมองเห็นสปปรรพสิ่งจากมุมที่สูงเหนือโลกนะสภาวะโลกุตตรธรรมก็เหมือนกับสภาวะที่อยู่บนที่สูงแต่ว่าไม่ใช่ร่างกายหรือตัวสังขารที่อยู่บนที่สูงอย่างที่เราอยู่เห็นเมื่อวานแต่ว่าจิตใจมันสูงตัวจะอยู่บนพื้นแต่จิตใจมันสูงโลกธรรม หรือว่ากิเลสแปดเพื่อไม่ถึงแล้วก็รวมถึงว่าพออยู่บนที่สูงก็เห็นอะไรที่กว้างกลได้ครบถ้วนนะไม่มีอะไรมาบังเห็นตามความเป็นจริงว่าโลกมันกลมนะโลกมันไม่ใช่แบนเห็นตามความเป็นจริงว่าโลกที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะถ้ายังไม่ถ้ายังอยู่กับโลกล้วนๆ น, นะ เราก็คิดว่าโลกนี้มันเที่ยงเป็นสุขหรือว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นเพราะว่าเห็นสั้นเห็นแคบธทําไมมันช่วยขยายขยายใจให้กว้างกว้างในความะทั้งในความหมายที่ว่ามีเมตตาไม่มีประมาณยกขยายมุมมองให้เห็นให้กว้างเห็นตามความเป็นจริงไม่ไม่คับแคบไม่ ถูกสกัดกัน้นถูกปิดบังเขาบางทีมันปิดบังนะอย่างเราอยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะไม่เห็นมองไม่เห็นภูกระดึงอันนะเพราะว่ามันมีเนินขวางกั้นเอาไว้แต่พอเราบ้าขึ้นมาที่ผาสีวิลไลก็เห็นไกลไปถึงภูกระดึงเลยเมื่อวานนี้ก็ก็เห็นสันเขาภูกระดึงเห็นยอด ทีคนเราไปยในโลกเนี่ยความเห็นแกนตัวมันก็บังนะมันก็บังบังไม่ให้เห็นอะไรที่กว้างที่เลยไปจากประโยชน์ส่วนตัวบางคนนี่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่เจอมองไม่ออกเลยเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนทําอะไรก็คิดแต่ว่าตัวเองจะได้อะไรไม่ถามว่าคุณจะได้อะไรบางส่วนลุงจะได้อะไร มไม่ใช่แค่ความเ ก, ก็นตัวแล้วมั น, นอวิชชาอาวิชชาปิดบงังทำให้ไม่เห็นความจริงที่มันเป็นของจริงของแท้ในจอมุท า, าระวาปูุขาแห่งวิถีพุทธธรรมูเขาที่ขวางกั้นผลทางนะสู่ความหลุดพ้นหรือว่าสู่สู่การพ้นทุกข์ขวางกั้นสู่การยกจิตขึ้นสูง เราจเห็นความจริงอย่างรอบด้านครบถ้วก็ต้องอยู่วันที่สูงนะไม่ใช่ตัวเท่านั้นแต่ใจเ้วยที่ในปุณณ น, นี่มันมีวัดวัดหนึ่งนะมีชื่อมาวัดเรียวันติเป็นวัดที่ชื่อในเรื่องมีขึ้นชื่อเรื่องสวนหินจะไปดูต้นไม้นี่เห็นต้นไม้นิดหน่อยมันมีแต่หญ้าเฟิร์นเป็นสวนหินแล้วคนก็มาดูกัน ไม่ขาดสายตลอดสี่รอปีที่ผ่านมาคนที่ไม่เข้าใจก็มาดูสงสารมาดูอะไรมาดูหินมาดูหินที่มาวางไว้บนบนพื้นกรวดก็ตีความกันไปต่างๆนานาว่าเขาต้องการบอกอะไรเรื่องมาหาสมุทรทะเลสังสารโลกวัดหรือว่ากำลังแสดงถึงป่าเอาหินก้อนั่นคือเสือเอาหินก้อนนั่นคือหนี อนก็คือความก็ตีความไปต่างๆนา น, นาแต่ลำพังความสวยขอยงมันเ็ความความการน้มจะให้สงบสงัดนี่ก็มีสเสน่ห์แล้วสวนหินเลวอันจิถ้าไปเกี่ยวโตแล้วไม่ไปดูสวนเลวอันจินี่ก็ถือว่าขาด ไ, ดไปไปอย่างมันมีอะไรให้ให้ขบคิดมากมายมากกว่า ส่วนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันมีต้นมันมีหินอยู่มา1สิบหกก้อนแต่ไม่ว่ามองจากมุมไหนเนี่ยก็จะเห็นแค่สิบหาก้อนยังไ ง, งไงก็แค่15สิบห้าก้อนนั่นมองจากมุมมุมไหนด้านไหนก็ตามก็เห็นแค่สิห้าก้อนแต่มีมุมเดียวที่จะมองเห็นได้ครบสิบหก้อน ก็คือมุมบนถ้าอยู่เหนือสวนเมื่อไหรถ้ามองจากมองจากมุมที่อยู่เหนือสวนก็จะเห็นหินครบสิบหกกอนอันนี้เหมือนเขาจะบอกว่าเนี่ยตาอะไรที่ยังอยู่ยังเป็นแค่ปุตุชนเนี่ยมันก็เห็นความจริงได้ไม่ครบยังไงยังไงก็ขาดไปหนึ่งจนกว่า มันจะเข้าสู่เพราะโลกุตละอยู่เหนือโลกเนี่ยถึงจะเห็นความจริงได้ครบถ้วนอันนี้เหมือนเขาบอกเป็นปริศนาไว้เพราะฉะันเนี่ยเวลาเราขึ้นไปบนที่สูงเช่นหน้าผาหรือว่ายอดเขาเนี่ยมันก็ นอกจากจะทำให้นอกจากจะทำให้เราได้เห็นทักษะภาพที่สวยงามบำรุงจิตบำรุงใจช่วยทำให้หายเครียดหายหายกังวลหายวิตกแมงให้แง่คิดอะไรมากมายที่ทำให้เราได้น้อมกลับเห็นความสมหวรข อ, ของธรรมะธรรมะไม่ใช่ที่เพียงแค่ทำให้เราไม่ไม่ใช่ที่หมายถึงการทำความดี หรือว่าน้อนจะให้สงบนะแต่มันสามารถทําให้เราได้เห็นอะไรเห็นโลกตามความเป็นจริงเห็นชีวิตเห็นตัวเองตามความเป็นจริงซึ่งช่วยทําให้ความทุกข์คลายหรือว่าหลุดจากความทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นก็เป็น <c oughs> พาซื้อหลังก็เป็น เป็นของแถม น, นะเป็นสีสันของอของการมาอยู่ผู้หลงนะแต่ถ้ามองให้ดีๆมันก็ไม่ใช่แค่สีสันนะแต่มันรู้ว่าเป็นเป็นของแถมของเสริมนะแต่ว่ามันสามารถจะเติมมุมมองของเรานะนะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะได้ เอาละชาเล่ย์พุทนี่กราบพร